ที่เบดงจะบีชวงพุทธาลุแตบวุฒิาสนาอยูการมาจำเดิมแต่บันลัยการแต่งองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัพพิจารวันนี้ร่วงไปแล้วสองวันหน้ารอยห้าสิบเจ็ดตวัา หหนับจากวันตัดสลูกว่า 2, สองกว่าหกร้อยสองปีปัจจุบันแลัทำใหม่สุลจินที่สามนกรลาคมพุทธศักราชสองกว่นหน้าร้อยหา้าสิบเจ็ดุกในวันนี้ตรงกันขึ้นสามเครื่อเดือนสง มีในย่งเหล่าพุทธศาสนิกชนมีพิสุมีแ่ีมีวาจุปุาติกาแะเพิงกำหมดเอาด้วยอุปกรณ์จะนีอันี้ก็เยวกาดมาทำวัดต้นทวัดกับวัดปู่โสธร ตอนเช้าเราก็มีโอกาสดีได้มีโอกาสได้พูดธรรมะสู่ันฟังบ้างเพื่อเป็นมิตรซึ่งกันและกันบอกจึงทุกขที่ถูกต่อกันและกันแต่เราไม่มีจิดวัดกิีวั ต, ตในช่วงบนวบผ้าตอนเช้าตอนเย็นก็มาไกลกัน โบราณท่านว่าเึิเช้าม่เก้าหลังยามหน้าที่ของเราเป็นนักบวชแต่ไม่ควรไปไหว้พระถือว่าเชื่อมได้วีชของเราที่บวชมานี่จะเพื่อพระศาสนาจริงๆไม่ได้บวชเพื่อเป็นหนุนสนานบวชเพราะ อ๋อต้องการเลี่ยงทีถึงเกิดดีขั้นหนึ่งมาบวชนัมีชีวิปัญญาของโง่ยังมาบวชนี่ไม่ใช่บบนด้านเราจะมารับผิดชอบพระพุทธศาสนาได้เห็นได้ยินไม่ ดูนี่นักบวดเนี่ยทำผิดถิ่นผิดทำผิดแล้วผิดวินัยอยู่เรื่อยๆก็ทำให้เราได้คิดขึ้นมาว่าเราเองก็าเราลักพุทธจาชนะได้ศึกษาคำสอนพรเจ้าศรัทาพระพุทธเจ้าศรัทธ า, ทาพระธรรมศรัทธาพระสงฆ์ทธาคำสอน แต่ได้ปฏิบัติตามมาก็มีประโยชน์มีผลมากมหาศาลมีคนทำผิดพลาดีนก็ได้ก็เฉียนใจอยู่ว่าอยากจะมาแก้ไขรับผิดชอบเรื่องนี้เมื่อเราจะได้รับผิดชอบเรื่องนี้จิตใจเราไปรู้คนจะรู้จิตเลยแล้วว่าทำไม่แจ้งคยรทำไม่แจ้ง ว่าได้จิบสอนขมสอนได้ปฏิบัติธรทัศน์ทางคันทุลละจิตสาเล่าเรียนสงสอนแล้วจะได้นำไปปฏิบัติตดนี้ปัจจณาธุลละได้ฝึกหัดกายใจตนเองต่อสมควร รู้จริงที่ติดรู้ที่ไมปูกเหมือก็เราตั้งใจไว้เมื่อเห็นจริงใดติดก็อยากแช่ขายจิงใดถูกก็อยากจะนับจนุนถยางายันเอากอดับหาเวลาหาสถานที่ทำไงเพื่อจะได้มาศึกษาธรรมะธรรมสอนจริงๆไดาจะตั้งหลับท่าทายดู บอกของสอง่เจ้ามีเชียงไหมมาฝนนี้พ่านยังมีอยู่ไหมไปเข้ามาพิจารดูฝนสวยหาสถานที่ที่เหมาะสมหาสถานที่ที่เชีงโจมอยาจะเข้าไปแก้ไขอันนี้เหมือนกับว่าเราจะบอกสิ่งที่ผิดสิ่ที่ถูกเนี่ย ด้วยจิตใจบริสุทธิ์นี่ตรไหนที่มีปัญหาก็อยากไปอยู่ที่ตรงนั้นอยาที่บ้าจะเจแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงได้คนใดที่มีปัญหาก็อยากจะไปเป็นมิตรเป็นเพื่อนอยากเป็นมีตคนที่ไม่รู้อยากเป็นมิตเป็นเพื่อนคนที่ไม่มีสติปัญญา ช่วยเองไม่ได้ําบากํากรรมม่ใช่หลังเกียดติเป็นเรื่องที่ตั้งจิตตั้งใจอันแน่วแน่เลยได้นีมได้บอกคนมาสอนคนมาตั้งใจที่จสอนจริงๆทำทุกสิทุกอย่างเพื่อการนี้ เหมือ น, นก็ว่ามีคนมาจึกษาปฏิบัติแล้วก็ได้สวนมาบอกปิดบอกถูกบอกวิธีการทาตามทุกเจ้าสอนนะั่นหะเอามาทำดูมีอยู่มันมีอยู่จริงๆวิธีปฏิบัติสมบูรณ์แบบมันน่าจะจน สิ่งใดที่เราบอกลงไปนั้นเหมือนกับเราเนี่ยวันเม็ดทำเนียนโพชิก็ไปดูคิดของคนมีจิต ด, ดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจบันทิดเวลาวันหลงให้รู้เนี่ยเราววันนั้นไปทุกคนที่มาปฏิบัติดี๋ยวเาไม่จิต ด, ดูกายเคลื่อนไหวดูใจบันทิต เห็นความหลงความทุกข์ความโกรธความไม่ดีเกิดขึ้นที่กาที่ใจเราได้รู้สิบตัวจะปล่อยริงไม่ดีทิ้งไว้ในการนิจใจนั่นจะซึมตัอไปสู่ชีวิตเราเป็นจดนิสใยให้เอาพภวะที่รู้สิบตัวนี่ไปแก้ไขไปชำระล้างออกเกิดออก เรียกว่าปฏิบัติธรรมเปลี่ยนล้าให้เป็นดีอย่างนี้เราก็ได้บอกเรื่องเดียวเท่านี้เวลามันหลงให้รู้เวลามันทุกข์ให้รู้เวลามันโกรธระไที่ไม่ดีให้รู้ชั่ตัวเนี่ยมันมีอยู่จริงในชีวิตของเรานี่มีกายมิใจมันมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นที่กายที่ใจเราเนี่ย เราก็เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาชีวิตปุตชฌนคนหนึ่งที่เคยตกเสียเกียรติความทุกข์ความปวดมาเต็มที่แล้วแต่ยังได้เสียหายมากมายเราเลยเห็นทุกเหตุทุกเหตุเด่นทีท่สิงที่เกิดขึ้น่กากระจายในวัตถุอาการมันไม่มี จ, จ, จริง แล้วก็เปลี่ยนได้จริงแก้ไขได้อยู่ก้เราเปลี่ยนอย่างผู้เจ้าสอนตาหลักปฏิบัติสติปัฏฐานท่านสตรนี้มีสติดูกายเห็นกายกันประจำมีสติสัมพันย์ะถอนความพอใจและความไม่พอใจออกมาซะแล้วก็มีเวลาเรามาดู สายเพื ion, <films> Kristin, ่อนไหวเห็นใจมันคิดในเห็นสิมานี้เปิดออกมาแล้วสานของที่พ่วมขึ้นแล้วเปิดของที่ปิดออกได้เห็นได้เข้าไปแช้ไข้หุ่นจ๋าสอนมาแบบนี้เกือบจะห้าสิบปีแล้วอย่างไม่เป็นที่พอใจนะเมื่อใดคนที่ของเหล่าที่หวังลงไปแต่ก้อขึ้นมา ให้เป็นล้มเป็นดอกอกผลเคนได้อาศัยบ้านจึงเราก็ดีเป็นจับสังคมมีพ่กดีแม่ดีเพื่อนดีน็ตมีที่มีน้องมาช่วยกันไงโตชิอันนี้อ่ะเปลี่ยนหลงเป็นลูกเปลี่ยนหลมเป็นลูกบันได้คือน้ํำผมโมดีไม่แน่ไม่ ทั่วไม่แขะมากถ้าทำอย่างนี้เหมือนกับเม็ดพืชที่อยู่ในดินที่อุตภรมรว่ดีเงินเลวหวานท้าปลูกตัวปลูกจต้องไปในดินมีน้ำจุ่งชื่นอยู่เสมอใน้นอนอยู่เสมอก็ย่อมเกิดล่าเกิด โนอขึ้นมาว่าเจอเมล็ดพืชเม็เนนดใดที่ไม่รีบก็ยกมือขึ้นลูบจึกตัวเวลาวันจิตลูบจึกตัวเลื่อนไหวที่ใดรูบจึกตัวนี่แบบเมล็ดพืชโพธิ์ที่นี่ไม่รีบจำบีโน่น อ, อยู่ได้อยู่ เราจะพยายามขนาดไหนถ้าเราไม่เพียรพยายามก็จะบอดได้เหมือนข้าวที่เก็บไปนานๆไม่เพะไม่ถูกอุณภูมิก็จะบอดได้แต่บอดนั้นก็ไม่เกิดได้ถึงไม่ควรจะบำมารเป็นจะเด็กสนุกบ้างแต่อยู่ที่ไหน โดยเฉพาพวกเราชาวัดเป็นนักบวแล้วเดียร์โอกาสตอนที่แล้วตอนเวลาที่จตขนหวยเล่นนี่ได้พยายามชั่งภาระกำลังขึ้นมาแต่ละเง็ดแต่ละค้นแต่ละชีวิตเชิญก็ไปเรามาดูเช่อย่างเจ้าชาเนี่ยเป็นกำลัง เป็นกำลังมันใหญ่ที่สุดออกหน้าออกตาเชื่อจริงๆเชื่อว่าผู้เจ้าวิญญาณพระธรรมจริงวพระสงฆ์จริงธรรมที่ผู้เจ้านํามาปฏิบัติเป็นผลจริงๆปฏิบัติได้ให้ผลได้แล้วก็สวดําวมาสวดบนทุกเจ้าทุกเย็นอยู่เนี่ยเห็เราวันนั่นตอนแล้ว นํามาปฏิบัติดูอย่าทอดแท้ให้มีศรัทธาแน่วแน่ลงไปถ้าห่วงบ้านห่วงเดือนห่วงพี่ห่วงน้องห่วลูกห่งหลานมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรตั้งหวงจริงๆว่าจเป็นคนดีแล้วก็มีลูกยิ่งพ่อยิ่งแม่ไม่ใช่เกิดมาจากที่ไหนทุกคนมีพวกนี้พ่อแม่เราก็ต้องการให้ลูกเป็นคนดีปเสชิญ เป็นหน้าทีชาติตบูตรเป็นบุตรที่อาจจะประเสริฐกว่าพ่อกว่าแม่กว่าได้หรือว่าเป็นหนี่ชาติตบุตรบุตรที่เลวทรากวพ่อกว่าแม่ก็มีนะเราจะเป็นบุตรประเภทไหนกันมาลูกพ่อนี่แม่นี่เราละคนหนึ่งให้คิดอย่างนี้กันว่าแทนพ่อแทนแม่เราพ่อแม่เราตายไปแล้ว เราก็เป็นโค้ดแทนชีวิตของเราได้มาจากพ่อจากแม่มาทําความดีเนี่ยวันนีอย่้นี่ชื่อของเราเป็นจัตุรัสสงฆ์อย่างนี้ชื่อะกุลอย่างเนี้ยชีวิตหนึ่งมีจตทร์เพิ่มเ ข, ข้าไปแม้ว่าดับผอยหลงไปจากร้อยศูนย์ปีกี่ร้อยปี แบบอย่างในสมัยพระพุทธการว่าใช่พุทธเจ้าเพียงหลังพระองค์เดียวมีเหล่าสาวกด่าน้อยมีตถาคะที่เด็นเด่นแ0บฉรูปเนี่ยน้องงามประวัติุจิอนุพุทธประวัติเนี่ยเพราสาวกแ0บรูปเนี่ยมีแจ่ด้วนเด่นเด่นดังนั้น มันใช่คนเดียวมันใช่พระองค์ยอดแต่พุทธเจ้าจนมาพุทธเจ้าได้ชื่อว่าสมหมายสมพุทโทหาะสอนคนเดินใน้รูดตามเนี่ยนี่แล้วนี่แล้วนี่มันก็เป็นอย่างนี้สร้างสถาขึ้นมาจนมาถึงยุคร้อยสองรอยปีก็มีครูบาอาจารย์มาเรื่อยๆจนมาถึงยุคหลงปู่เทียมเนี่ย ยังสังสารอยู่ขำสอนเนี่ยนิจติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดเนี่ยใจมันเคลื่อนไหวต่อเคลื่อนไหวของจิตคือมันคิดสันติวานของจิตที่ตัวคิดตามสันตวานของกายคือมันเคลื่อนไหวยืนเดินดั้งนอนจอมดีจอมชั่วเติมเคลื่อนไหวที่มันคิดคิดดีคิดชั่ว สอนมันตรงนี้ลองดูเจ้มีเจตนาลองไปมีจิตตาลองไปนีความเพียรลองไปแต่เจอลองไปอย่าทอดแค่ขี้เกียจจีการอ้างว่าเจอแล้วอ้างว่าหนุ่มมาว่าหนิวอ้างว่าร้อ น, นอ้างว่าหนาวมันไม่ได้ลักษณะที่อ้างเหล่านี้หลัวคนเกียจค้าน หลังจากเม็ดพืชไม่ค่อยตึงกับดินก้าอากาศอุณหภูมเฉยเมยหลงก็ปล่อยให้หลงอย่างนี้ด้านไปแล้วทุกก็ปล่อยให้ทุกอย่างเม็ดพืชด้านไปแล้วไม่กระเรือด้นไม่เก็บพลังงานไม่สะสมความชื้นไม่สะสมพลังงานก็อาจจะไม่ม <Yeah. S 1> mm ีประโยชน์ เราควรจะเป็นเมลพืชที่ไวกว่าแิงสักหน่ยเหมือนเม็ดถั่วเม็ดแดงที่เราปูกไปในดินเม็ดเดที่เราหยั่งตาตัวเองออกก่อนเขาออกก่อนเม็ดเดินขึ้นไวกว่าเม็ดเื่นเม็ดเดที่อ่อนเลอก็งอกออกมาก็เป็น เดนไม่ลอดพุ่มไม่ลอดพุ่มก็ไม่เจริญต่อมาไปทําทันเดือนแล้วปุ๊เขาพูดในหลุมเมต谛ที่ออกก่อนเสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปออกปักมัดจะเก็บไปทําพันหนันแข็งแรง ขัเจ็บตานที่ก็เ <promotions> จ็บเอาต้นด้านขันเจดีแล้วก็ว่าออกฝักฝับหนึ่งปักสองห่อไว้ก่อนเอาไว้ห่อไว้จนข้าวโพดพันไม่เจ็บมากินจะเม็ดต้นใดที่เม็ดใจที่ออกช่าต้นใดใดมีเท่าไหร่มากินหมดมันจะได้คันได้ดีเดี๋ยนี่นะ อย่าไล่าานานหลังตอองนนนายอันนี้จนคนที่จานานเรื่องเมดพันธุ์พืชได้จุดอันนี้เรีว่าเลือกพันธุ์เราจะเป็นบุตรยองอะไรกันจักหนึ่งคนไม่ได้เลยใหร้รับผิดชอบตรง น, นี้ลองดูแล้กวก็รับผิดชอบวาจาตเสนอเห็นคนทําผิดมันไม่ใช่จะเป็นเรื่องสูงเสียเบื่อหน่อย ทำไมเชีเ่ยงเฉเห็นพระสองฆ์อ่อนเดียเห็นพระสงฆ์ี่เละอยากจะรับไปชอบเจา้าพระลูกนี่เป็นอุทาหรอสอนเลยจบไว้ํำเหมือนพระลูกนี่จะขยันเหมืนนนนอนเพียนไม่เป็นตัวอย่างมาเลือกตัวอย่างได้ยังไม่อยู่ในโลกเลยรีใหม่นี่เรามาตั้งต้นตกันดีด ร้างพลังงานในเม็ดพืชแข็งพอที่ในชีวิตเรเลให้มันให้มันเจ็บปรนภูมิตื่นต่อไว้ต่ออากาศชัดหลอยถ้าไม่ตื่นเลยมันก็เฉื่อยชาด้วยด้านหลงก็ปล่อยให้หลงทุกข์ปล่อยให้ทุกข์หรือเป็นท่าของกิเลสตัณหาไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีประโยชน์เด๋ยวเวลาเปล่าเวลาก็หมดไปหมดไป เราก็เจริญเท่าตัววันคนตายก็เข้าบาทุกวันเราจะทำยังไงเนี่ยเอกสารนี่มันเข้าจใจเป็ประโยชน์มหาศาลเงินทองหรือมีเท่าไหร่ล้านนีเท่าไหร่แสนแสนล้านล้านเท่าไหร่ชนี่ยไม่ได้ชีวิตสุดยอดของมนุษย์เนี่ยมันไม่สามารถืคอด้วยเหมือนตาอมันมีค่าที่มาเปรียบเทียบได้นอกจากเร า, าปฏิบัติธรรมเนี่ย จึงน่าจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างเนื่อแข่งแหลงมากอยู่แมี่ยเงื่อไม่แข่งแต่ไม่มีก็ยังมีจิตมีใจอยู่เนี่ยสามารถรู้ได้เจ็บเอาความรู้สึกตัวอยู่ในท่าไหนก็ได้เดินมาได้นอนก็ได้ด้านก็ได้เย็นก็ได้ไม่ต้องเดินนั่งวัน มันจ ะ, จะแสดงออกเห็นอยู่ถ้ามีจิตนะนี่แต่คนที่การเดินไม่ได้เขาจังมีโอกาสเข้าใจเรื่องนี้ได้นี่เรายังเนื้อแข็งแรงมากเอาไปแช่อลายกันไปรับแช่เสีจจนหนาเลยเอาฟองหนุ่มของส า, าวเป็นรับใช่เสีจนหนาสูงต่ำก็ดีเลยไหนความจุก่ะเอามาดูีิ ไหนความทุกข์ของโมดูชี้มันไม่มีต่ถูกหลอกเฉยๆหาว่านั่นเป็นความสุขนี่เป็นความสุขตั้งตาตงหงูไหนมันมีที่ไหนไม่มีมันเป็นหวงไม่เที่ยงนามีการมีใจดีอาศัยมันทําำลายถ้าใช้ในสุขมันว่าเป็นทุกข์เป็นโทษแต่ใช่สุขก็เป็นประโยชน์ตัวเรา ทีห่สองวันห้ารอยให้สิเจ็ดนี่มาอื่นชังหน่อยปุกเปิดใหือนอยู่เสมออย่าประมาทอย่าประมาทในความคิดอย่าประมาทในตามเวลาอย่าประมาทในความจบของทุกตะลุนมันดูจบทุกก่อมาใช่ชีวิตเราละเวลาจบไปทุกข์ก็ได้มละ สุดยอดโดนไปรุ่นอีกตัวเลยแรายังมีความหลงแฉ่งนี่ก็ยังไปมาได้ไม่ยากปากพ่อกั้วยกาบนอกยังบอกไปได้จะได้แก่นยังไงความหลงความโกรธความโลกควาทุกข์ยังไม่เป็นขั้วยกาบขั้วยกาบนอกอยากจะได้แก่นของขั้วยมันก็ไม่ได้แล้ว อาจนอกไปยังตกไปได้ยังตกเป็นชาติสมหลงในความคิดในอารมณ์ต่างๆมันดื้อด้านเดียวมันเป็นบึกลว่าปุถุชนผู้ฏถูกไปไปยังหนาอยู่ยังเข้ามาถึงแกมได้ง่ายได้ฉนงมันทำไมบาทียังยืีในความลับวุ่นเมร า, านวยัง คิดถึงความรักความชังมาเติดเบื่อในใจยังไม่รู้จัะชำระออกไม่มีจิตไม่ถอนออกมายังมีร่องรอยอยู่เวียนอยู่เช่นั่นเวียนวัตถ์เยนอยู่เช่นนั่นตัวไหนทําให้มีความรักของเยนไปคิดถึงตัวไหนที่มีทําให้ความทุกข์ของยนไปคิดถึงเหมือนอยู่กับทุกข์ต้องสองอย่าง ในควรมรักกัมในความเกียรติชังในความสุขก็มีความทุกอยู่มันเป็นอย่างนี้นชีวิตของเราเมื่ อ, อไหร่เราจะข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้จะนี่กรรมฐานนี่กรรมฐานนี่อาจารย์จะทำเนี่ยมันทำได้นะทำได้กับมือสัมผัสได้กับชีวิตเราจริง ดูเจประเดึกได้จ้าอะไรเกิดขึ้นเราจะเห็นเป็นสูตรไปวันสอนมหเราเห็นจริงๆนะได้บทเรียนจากความผิดจึงมีความถูกได้บทเรียนจากความทุกข์จึงพ้นทุกข์ได้บทเรียนจากความหลงจึงพ้นจากความหลงดูดีๆเจ็บโอ้ผลประโยชน์จากตัวนี้ อย่าให้หลงเป็นหลงอย่าให้ทุกข์เป็นทุกข์อย่าให้โกรธเป็นโกรธแต่อาศัยความคิดเหตุผลมาแช่มาคิดมาหาคบตอบันไม่ได้ต้องมีการปฏิบัติลงไปจริงๆถ้าปฏิบัติตามรํำสอนพเจ้าเนี่ยไม่ผิดแน่ดอนที่ไม่ผิดตัวเนี่ยสุท้าเนี่ยสมบูรณ์ไหวยินดียินได้ ไม่ปฏิบัติสิ่งที่มันผิดแต่เราสิ่งที่มันชั่วทำความดีลองดิสกิฟต์ของเราเฉยลงไปมองเห็นเอ ก, กลักษของชีวิตเราปลุกเใจตัวเองเมื่อเราจะส่วนตัวไหนทำเด็ดขาดแม่จะเกิดตัง ความคิดเดกิดจะกการเกิดจากว่าจะทั้งหวานสามตัวนี้ักษยสามตายไงไม่ทำเด็ดขาดควานเชื่อไม่ทำเด็ดคาดเด็ดขาดเลยจะทำความดีตลอดไปไม่อยู่มนย่างความดี ด้วยจิตใจบริสุทธิ์ไม่หวังค่าตอบแทนชื่อเสียงกนร่ำเสงไม่ไม่ต้องการทำไปบุกไปเลยมีเยอะๆเราเรียนรู้รีเทิลสถาบันแฉดิ่งจะแรงออกทาความดีไปเยอะๆเลยสร้างโลกทั้งโลกก็ได้รผชอบนทั้งโลกก็ได้ มาคิดบ่องใหญ่ไคสอนเราจะหาอาหารให้คนกินทังโลกเราจหาอยู่ขายายให้คนเจ็บป่วยทั้งโลกก็จะช่วยเหลือคนที่ไม่มีใครช่วยคิดเกีก่ยวกาอย่างเนี้ยเราจะดูแลรัลบผิดชอบไปเต็มมดดำมดแดงแผ่นดินนาซารแม่น้ำป่าบางไปหมดเยะแยะเลยใหโลกนี้เนาะไปมองอะไรที่จัะแคบอยู่แค่นี้ เอาตัวเองเป็นใหญ่แัดถิ่นใจตัวเงคิดเจญ่ก็จุดร้อนอย่างก็อนปกปักแจไม่ไม่ปล่อยปากแล้วเลยยิ่งสมหวันี้เราำบำทำไม่ไหนนี่ไม่มีคําว่ายเข้ามาเสียไว้จะว่าตายหรอกมันจะต้องทํารปิดบังไปเสมอเวลามาให้เราได้มาจนเวลามาทำให้จริงจิ๋วของเรา ก็เราไม่ทำมาเลยเวลาคืนนชีวิตหังเราก็เราแค่เวลาเป็นเรากลายไดประโยชน์จากการเวลาอันนี้ข อ, งงอให้พวกเราีมีกำลังใจมีศรัทธามีความเพียร น, นีจิตมีสมาธิมีตัญญาในภพัฒนามได้เพื่อนหนพอที่งอกงามขึ้นมาเป็นดอกผลไม่เป็นร่มเป็นเงาเป็นสิ่ง้าาขา สตาสนาสิ่งทุกคนได้อาศัยจะได้เป็นบุญกุศลไม่เฉียชาติเกิดมาจากนุษย์ผู้โปรดทราบปัญหาด้วยกันในชาตินี้ทุกคนทุกคนเดินถามหาความเข้าใจ